สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนักถ่ากรนคนชอบเล่าหลังจากที่อัานมานานสําหรับเรื่องราวจากท่านสมาชิกคลิปนี้ก็กลับมาตามคําเรียกร้องนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกของคุณออฟดีกว่าครับเรื่องราวของคุณออฟก็มีอยู่ว่าสวัสดีครับเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่คุณพ่อของผมได้เคยเล่าให้ฟังซึ่งปัจจุบันคุณพ่อของผมท่านก็ได้เสียไปแล้วท่านได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อสมัยท่านอายุ20ปี ก, กว่าอ๋อลืมบอกไปครับ คุณพ่อของผมเป็นคนภาคอีสานตอนนั้นท่านได้มีโอกาสไปเที่ยวบ้านเพื่อนซึ่งเพื่อนของท่านก็ชื่อว่าเท่พ่อกับเท่เพื่อนของท่านเป็นเพื่อนที่สนิท ก, กันมากและช่วงที่ท่านได้ไปเที่ยวบ้านเพื่อนนั้นก็เป็นช่วงฤดูหนาวก็ประมาณกําลังจะเข้าสู่หน้าหนาวซึ่งทางภาคอีสานจะเกี่ยวข้าวที่ได้ปักกล้าดำนากันเอาไว้หรือจะเรียกว่าฤดูเก็บเกี่ยวก็ได้พ่อของเท่ได้ชวนเท่กับพ่อให้ไปยิงหนูกับท่านโดยที่มีเพื่อนในแวกบ้านเดียวกันร่วมทางไปด้วยอีกสองคนก็คือพี่ไก่ และตะ ก, กิจซึ่งรวมกับพ่อผมและเพื่อนเท่พ่อของเท่ก็เป็น5้าคนพอดีถึงเวลานัดหมายบ่ายโมงเมื่อครบทีมเราก็ออกเดินทางกันทั้ง5้าคนได้นั่งรถไถานาแบบเดินตามที่มีพ่วงท้ายและก็ขับไปไกลามากซึ่งพ่อผมก็เป็นคนต่างที่ก็ไม่รู้ว่าพ่อของเท่กับตะ ก, กิต จ, จะพาไปยิงหนูกันที่ไหนเราเดินทางกันตั้งแต่บ่ายอ่อนๆพอไปแก่ๆ ก, ก็มาถึงจุดหมายซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งซึ่งพ่อก็ไม่รู้ว่าเป็นที่ไหน ล้พ่อก็ได้ยินเสียงพี่ไก่พูดแบบเสียงหลงว่ามันจะดีหรือลุงเอาเถอะทีนี่หนูเยอะดีไม่ค่อยมีคนมายิงพ่อเท่บอกไปพ่อผมได้ยินก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ได้แต่ถามเพื่อนเท่ว่ายิงยังไงไอ้ปืนผาเนี่ยเท่กขาบอกว่าไม่ต้องยิงแค่เดินตามเราก็พอได้ฟังพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรเดินตามก็เดินตามและทุกคนก็ออกเดินหาที่ยิงหนูกันซึ่งพ่อเท่ได้เลือกเอาที่นาใกล้ๆติดถนนส่วนพี่ไก่ก็เอานากแปลงที่ติดกัน ส่วนธกิจเลือกเอานาที่ติดอยู่กับป่าอ้อยส่วนพ่อผมกับเพื่อนเท่เลือกที่จะไม่ยิงหนูตามท้องนากลับไปเลือกยิงในไร่อ้อยซึ่งติดต่อกับกอภัย4ีหกโดยพ่อกับเท่จะใช้ลําข้าวผสมกับมเมล็ดข้าววางตามทางหนูตามแนวไร่อ้อยเพื่อหลอกล่อให้หนูมาเดินตามมาไม่ได้ปฏิบัติการตามแผนตามทําเลที่ได้วางไว้แล้วพวกเราก็รอก็รอกันไปจนแสงพระอาทิตย์ได้รับหายไปจากขอบฟ้าพอความมืดเข้ามาปกคลุมทั้งหมด นั่นหมายถึงเวลาที่เหมาะสมเราก็เริ่มปฏิบัติการทุกคนเริ่มออกยิงหนูตามที่ตนเองได้เลือกทำเลไว้หวังไว้ในใจว่าต้องได้เยอะกันแน่ๆก็เดินกันไปส่องกันไปท่ามกลางความมืดกับบรรยากาศบ้านทุง่งแต่เมื่อเวลาได้ผ่านไปนานมันก็น่าแปลกใจมากเพราะว่าไม่มีหนูเลยสักตัวและบรรยากาศรอบข้างก็เงียบเหลือเกินไม่มีเสียงหรือสัญญาณอะไรบอกเลยว่าใครจะได้หนูเขาก็เลยแต่เก็บความสงสัยไว้ในใจ เดินตามเพื่อนต้อยตอย้ึงทั้งที่พื้นที่นี้ไม่ค่อยมีใครเข้ามายิงหนูและหนูมันหายไปไหนหมดไม่น่าจะเป็นอย่างนี้มันผิดธรรมชาติและพ่อก็คิดว่าเพื่อนเท่ก็คงจะคิดอย่างเดียวกันจนเวลาได้ล่วงเลยไปสามทุ่มเกือบสี่ทุ่มพ่อกับเพื่อนก็เลยชวนกันเดินออกมาที่กองไฟที่ก่อไว้ก็เจอกับตะกิตและพี่ไก่ซึ่งนั่งรออยู่แล้วแต่ก็ยังไม่เห็นพ่อของเพื่อนเท่ก็เลยได้คุยกันถึงเรื่องแปลกที่วันนี้ทําไมไม่มีหนูให้ยิงเลยสักตัวเดียวก็ไม่เมย แ ล, แล้วระหว่างนั้นเองปังทุกคนก็ได้ยินสิ่งปืนดังขึ้นสิ่งปืนนั้นต้องเป็นสิ่งปืนของพ่อเทนแน่ๆ แ, แกต้องได้หนูแล้วแน่ๆเลยพี่ไก่ตะโกนขึ้นเอาแล้วสงสัยจะได้แล้วทุกคนรู้สึกดีใจหัวเราะครืค้นเครงเฮ้ย <Hey, S 1> มันต้องอย่างนี้สิมายิงหนูมันต้องได้หนูและไม่ถึงอึดใจปังสิ่งปืนนัดที่สองก็ดังขึ้นแต่ครั้งนี้ตะกิตบอกว่าแปลกใจเพราะว่าการใช้ปืนยิงหนูจะทําให้หนูนั้นตกใจแล้วก็ไม่กล้าเข้ามากินกองอาหารที่วางล่อไว้ ไมน่าจะยิงในระยะที่ติดกันขนาดนี้ระหว่างที่ตะกิจกําลังแปลกใจอยู่นั่นเองปังปังปังปังปังเสียงปืนห้าไหนาก็ดังติดต่อกันพร้อมพ ร, พรกันนั้นก็เห็นพ่อของเทวิ่งออกมาจากกอไผ่ใหญ่ด้วยสีนหน้าลุกลี้ลุกลนพร้อมกับเราตะโกนให้พี่ไกติดเครื่องรถเฮ้ยเรียบกลับหมู่บ้านเดี๋ยวนี้แกร้องบอกพ่อกับเพื่อนเทมองหน้าผากกันงงมันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ดูเหมือนพี่ไก่กับตะกิด จ, จะรู้โดยไม่รอช้าพวกเราทุกคนพากันขึ้นรถ แล้วพี่ไก่ก็รีบพาขับออกไปจากที่ตรงนั้นเมื่ออยู่บนรถไม่มีใครพูดอะไรกันเลยทุกคนได้แต่นั่งเงียบจนพี่ไก่ขับพาเรามาจนถึงหมู่บ้านแล้วตะกิดก็บอกให้เหลี้ยวเข้าบ้านแกแล้วแกก็บอกให้ทุกคนนอนที่นี่ไม่ให้ใครกลับบ้านพ่อบอกว่าคืนนั้นทั้งคืนไม่มีใครสามารถนอนหลับได้เลยเพราะว่ามันมีเสียงเสียงหนึ่งเกิดขึ้นมันเหมือนว่ามีบางสิง่งบางอย่างกําลังวนเวียนอยู่รอบบ้าน พี่นาซ้ำยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้พ่อแทบจะอ้วกก็คือกลิ่นที่เหม็นขาวมากๆมันโชยมาให้ดมตลอดทั้งคืนแต่กีดแกคงไม่ค่อยได้กลิ่นเพราะขึ้นไปนอนบนบ้านแล้วก็ปล่อยให้พวกพ่อนอนอยู่ข้างล่างกันทุกคนสัมผัสได้เต็มๆถึงบางสิ่งที่กำลังวนเวียนอยู่รอบบ้านพร้อมขึ้กลิ่นเหม็นไม่ว่าพ่อจะทายังไงก็ไม่สามารถจะคมใจให้หลับได้ทั้งหนาวทั้งเย็นคนลุกแล้วก็เหม็นด้วย นอนไม่หลับกระสับกระสายไปจนถึงรุ่งเช้าแสงอาทิตย์ขึ้นแล้วตะกิดเดินลงมาจากบ้านแล้วแกก็บอกว่ามันไปแล้วอีกวันสองวันจะเดารู้ว่ามันเป็นใครและจากนั้นมาเหตุการณ์ก็เป็นปกติจนกระทั่งถึงเวลาที่พ่อกับเทจะเดินทางกลับและพ่อของเทก็เป็นคนขับรถมาส่งพ่อผมเก็บความสงสัยอยู่ต่อไปไม่ไหวก็เลยได้เอ่ยปากถามพ่อเทว่าลุงครับคืนนั้นที่เราไปยิงหนูไม่เกิดอะไรขึ้นครับพ่อเทเห็นมามองหน้า แล้วแกก็เล่าให้ฟังว่าคืนนั้นแกได้เดินหาหนูไปจนเหนื่อยแล้วก็กลับว่าจะเดินผ่านกอไผ่เพื่อไปหาทุกคนแต่ระหว่างนั้นสายตาของแกก็เดินบังเอิญเหลือไปเห็นแสงเรืองๆสีเขียวอมเหลืองอ่อนๆแก่ก็รู้ได้ทันทีว่าทําไมไม่มีหนูให้ยิงแกก็เลยพูด ล, ลอยๆออกไปว่าแกหากินของแกข้าหากินของข้าทางใครทางมันซึ่งแกก็คิดว่าคงจะไม่มีอะไรเพราะต่างคนต่างอยู่แต่แล้วมันก็ไม่ใช่อย่างที่แกคิด เพราะว่าไอ้แสงนั้นจะอยู่มันก็ลอยพุ่งตรงเข้ามาหาแกเลยพุ่งเข้ามาไวมากแกเลยตัดสินใจอปืนพกที่ติดตัวไว้นั้นออกมายิงแต่แสงไฟนั้นมันก็ยังไม่หยุดกลับลอยเข้ามาหาเหมือนเดิมและววินาทีที่มันฉุกเฉินนั้นแกก็จําได้ว่าตะกิตเคยให้คาถาไว้ใช่ครั้งหนึ่งคาถา9้าวคำแต่บอกแค่ครั้งเดียวซึ่งแกก็ยังจําอยู่แกยกปืนขึ้นและพนมมือท่องคาถานั้นแล้วก็ปั่มลงที่เปินแล้วก็ยิงใส่แสงนั้นอีก 4-5 ่ถึงห้านัดพอสิ้นเ ส, เสียงเปิน แสงนั้นมันก็ได้ลดตัวลงตรงแนวไร่อ้อยแล้วแกก็วิ่งออกมาอย่างที่เราเห็นและกลิ่นที่เราได้ดมในคืนนั้นก็คือกลิ่นของมันแกบอกว่าคืนนั้นตะกิดขึ้นไปบนบ้านเพื่อทําพิธีให้ลูกปืนของพ่อเทมีความขลังมีฤทธิ์มากขึ้นเทเลยถามพ่อว่ามันคืออะไรแกก็บอกว่ากระสือไงกระสือยี่หวางหมู่บ้านถัดไปและที่นาที่เราไปยิงหนูกันก็เป็นที่แกหา ก, กินประจําและเทะก็ถามพ่อของเทว่ า, ารู้ได้ยังไงว่าเป็นยี่หวาง แกก็บอกว่ารู้สิก็เพราะว่าเห็นว่าเป็นใหญ่หวางไงและอีกอย่างแกก็เพิ่งตายไปเมื่อวานผลที่หมอตรวจก็คือในลำไส้แกมีลูกปืนอยู่5นัดแกบอกว่าส่งเทพกับพ่อเสร็จก็จะแวะไปงานศบใหญ่หวางเพื่อขอโอโหซีกรรมพ่อผมได้ฟังเรื่องนี้ก็ตกใจแล้วก็ไม่คิดว่าการมาเที่ยวบ้านเพื่อนครั้งนี้จะได้ประสบการณ์ที่ต้องจําไปอีกนานครับและนี่ก็คือเรื่องราวของคุณออฟซึ่งเป็นประสบการณ์ของพ่อที่เคยเล่าให้ฟังก็ขอขอบคุณมากๆากเลยครับ แล้วเราก็ไปต่อกันอีกเรื่องหนึ่งดีกว่าครับเรื่องนี้ได้ถูกส่งมาจากหมอปลาท่านสมาชิกผู้ใจดีอีกท่านหนึ่งที่เคยได้แบ่งปันประสบการณ์กับคุณตาและแต่แพร้าเพื่อนของแกในยุคสมัยที่ยังเข้าป่าด้วยกันและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวที่คุณหมอปลาส่งมาจะเป็นยังไงก็เชิญรับฟังครับครั้งหนึ่งช่วงพุทธศักราช2526ชาวบ้านในหมู่บ้านได้รู้จักกับในทุนขาไม้คนหนึ่งซึ่งเป็นชาวพมา่าเขาได้มาหาคนไปช่วยทํางานด้วย ซึ่งตาผมและตาแพรวก็ได้รับข่าวนี้ด้วยตาผมและตาแพร่จึงได้ไปชวนคนในหมู่บ้านอีกสองคนชื่อพงกับพันธ์เป็นพี่น้องกันให้ไปรับงานนี้ด้วยกันเพราะว่าการได้รับงานจากในทุนคนนี้ถือว่าได้ค่าตอบแทนที่สูงทีเดียวงานที่รับก็คือตาผมและตาแพร้วกับเพื่อนร่วมงานอีกสองคนต้องเดินทางไปภาคเหนือเข้าป่าเพื่อนำทางให้พวกตัดไม้สงวนซึ่งณเวลาขณะนั้นกับค่าตอบแทนที่สูง ผมกับตาแพรวไม่ค่อยสนใจเรื่องความถูกต้องเท่าไหร่นักจึงได้ตัดสินใจรับงานเมื่อครบคนที่ต้องการก็ได้ออกเดินทางไปภาคเหนือจังหวัดเชียงรายทันทีและเมื่อไปถึงที่หมายเนทุนได้บอกผ่านล่ามภาษาว่าอยากให้เข้าไปสำรวจป่าทางนี้และทำตําหนิไว้จากนั้นทีมตัดก็จะตามขึ้นไปตัดทันทีมีการแบ่งทีมเป็น2ชุดชุดแรกคือตาผมกับตาแพรวและพรานพื้นที่ส่วนสองพี่น้องผงและพันจะรวมกับทีมตัดที่เนทุนพามาสมทบ สรุปแล้วก็คือตาผมกับตาแพรวและพรานแก่ทางภาคเหนือก็จะต้องเข้าป่าเพื่อไปสำรวจพื้นที่กันก่อนเมื่อถึงรุ่งเช้าอีกวันก็ถึงเวลาเดินทางพรานแก่พื้นที่ตาผมกับตาแพรวก็ออกเดินทางกันระหว่างขณะเดินทางก็ได้มีการสนทนากันมากันจากไหนละ่ะพรานแก่พื้นที่ถามขอนแก่นหนองสองห้องครับตาตอบอืมได้เขาว่าป่าแถบนั้นพกเองช่ำชองกันเลยเหรอ ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับลุงมันเป็นแค่ป่าแถวบ้านผู้ผมก็แค่เข้าป่าหาของป่าบ่อยมาประทังชีวิตก็เท่านั้นแต่ด้วยการเข้าป่าบ่อยจึงถือว่าชํานาญในแถบนั้นครับอืมแล้วรับงานเนี้ยไม่กลัวเหรอแต่แพร่ แ, แซ่ขึ้นมาว่ากลัวอะไรลุงก็กลัวตำรวจทหารนะ่ะสิเมื่อห่าเดือนก่อนขาน้าทางไปกับคนทําตําหนิงไปทางแม่หงสอนโดนทหารดักรถจับไปหมดข่านี้มาเกือบไม่รอดเอา สิ่งหน่อยก็เอาลุงค่าตอบแทนก็คุมอยู่ตาผมว่าแล้วก็จบการสนทนาไม่เดินทางมาถึงจุดหมายที่ต้องการตาผมและแตาแพร่พร้รอมพรานแก่ได้ทําการสำรวจทําตําหนิ ท, ทันทีหาทางชักลากที่เหมาะสมช่วยกันสำรวจจนเวลาล่วงเลยถึงเวลาเย็นก็ได้ทําการหุงหาอาหารแล้วก็ทําห้างเพื่อ น, นอนคืนนั้นบรรยากาศในป่าดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติแต่ว่าในคืนนั้นเองระหว่างที่ตาผมได้นอนหลับก็ฝันไปว่า มีชายแก่คนหนึ่งไม่ใส่เสื้อนุ่งจุกกระเบนมายืนชี้หน้าอยู่ข้างล่างตรงจุดที่กัดห้างแล้วชายคนนั้นก็พูดว่าพวกมึงรีบออกไปก่อนตัดไม้กูไม่ว่าหรอกแต่ช่วงนี้มันไม่ดีไม่เหมาะพวกมึงรีบออกไปก่อนกูมาเตือนมึงดีๆนะสิ่งคำของชายแก่คนนั้นตาผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีมองลงไปข้างล่างและรอบกายก็พบว่าฝาใกล้จะสว่างเช้า จึงได้ปลุกคนอื่นๆให้ตื่นและวันนั้นทั้งวันก็ได้ทําการสํารวจทําทุกอย่างเหมือนย่งปกติจนช่วงเย็นระหว่างทําอาหารกินกันพรานแก่จึงได้เอ่ยขึ้นเมื่อคืนฝันแปลกๆกว่าฝันว่ามีคนมายืนชี้หน้าตรงที่เราขัดห้องและก็บอกให้พวกเราออกไปจากป่านี้ตาผมได้ฟังก็อึ้งรู้สึกขนลุกเพราะว่าความฝันที่พรานแก่ได้ฝันนั้นมันเช่องตรงอะไรกับฝันของแกเช่นนี้แต่แกก็ไม่ได้พูดอะไรเมื่อกินข้าวเย็นกันเสร็จ ทุกคนก็พากันขึ้นห้างเพื่อ น, นอนตามปกติตอนแรกตาผมนอนไม่หลับเพราะรู้สึกแปลกๆมองไป ร, บรอบๆกายก็ให้หวาดระแวงมันเชงมืดได้ใจจริงๆแล้วแต่แก่คนนั้นเป็นใครกันถึงได้มาเข้าฝันและเข้าฝันทีเดียวพร้อมกันทั้งสองคนยิ่งคิดก็ยิ่งขนลุกแต่สุดท้ายแล้วเมื่อบรรยากาศเงียบสงบและลมพัดมาเบาๆก็ทาให้แกพลอยหลับไป แต่แล้วแกก็ต้องมาสะดุ้งตื่นเอากลางดึกเมืม่อได้ยินเสียงคนตะโกนว่าลงมาจากห้างลงมาให้หมดอย่าขัดขืนสิ้นเสียงทุกคนต่างรู้ว่าเจอทหารเข้าให้แล้วสรุปก็คือกลางดึกคืนนั้นตาผมและแต่แพร่พร้อมพ ร, า, พ ร, า, พ ร, า, พรานแกโดยทหารจับเรียบร้อยเมื่อลงมาจากห้างกันแล้วทหารก็ได้คุมตัวพวกของตาผมไปที่เชิงเขาซึ่งเป็นลานกว้างแล้วก็ทําการมัดมือไวอ้อย่างแน่นหนาไว้กับต้นไม้ จากนั้นตาผมและทุกคนก็ได้หลับสบายท่ามกลางการอารักขาของทหารจำนวน20นิบนายและระหว่างที่หลับสบายอยู่นั้นตาผมก็ได้ฝันอีกว่ามีชายแก่มานั่งอยู่ตรงหน้าเมื่อมองดีๆก็รู้ได้ว่าคือคนเดิมและแกก็บอกว่ากูบอกพวกมึงแล้วไงให้ออกไปกูเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาจะให้กูพูดตรงๆกูทำไม่ได้รกมันผิดศีลผิดธรรม ผูกมึงเป็นคนจิตใจดีกูเลยอยากช่วยแต่ผูกมึงดันไม่ฟังกูเจ้าป่าว่าขอไปท่านครับที่ไม่ฟังตาบอกไปแล้วชายแก่เจ้าป่าก็บอกว่าเชา้านี้ทหารจะพามึงเดินไปเจออะไรที่เลวร้ายยิ่งกว่าระวังตัวไว้สิ้นเสียงแก่ก็ต้สะดุ้งตื่นอีกครั้งจากการปลุกของทหารทหารได้ทําการสอบสวนและให้กินอาหารก่อนที่จะพาเดินทางระหว่างเดินทางก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทหารผ่าเดินกลับไปอีกทางหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นค่ายหรือแคมป์ทหารแต่ก็ไม่ได้ออกมาทางที่พรานแก่พาเข้ามาจนเดินทางมาถึงจุดจุดหนึ่งทหารได้สัญญาณให้หมอบลงพร้อมกับให้เงียบเสียงตาผมและแต่แพร่พร้อมด้วยพรานแก่ก็ทุลักลทุเลเพระมือถูกมัดไว้ด้วยกัน3คนสักครู่ก็มีเสียงปืนของทหารแถวหน้าดังขึ้นพร้อมเสียงปืนดังสนั่นของอีกฝ่ายตอบโต้กลับมาทหารต่างหลบเข้ากำบังหมด ส่วนตาผมกับตาแพร่และพรานแก่ต่างก็กลัวจนล้นลานเพื่อจะอาชีวิตรอดต่างลุกขึ้นวิ่งหนีไปคนละทางแต่ด้วยเชือกที่มัดไว้ทําให้วิ่งไปก็ต้องหลม่มลงด้วยแรงดึงจากเชือกของคนอื่นเพราะทุกคนต่างถูกมัดไว้ด้วยกันคนก็คือหล่มลงนอนกองอยู่ในดรนกระสุนอยู่สัก23นาทีต่างคนต่างค่อยๆ ค, คลานไปทางเดียวกันเพื่อเข้าหาที่กําบังพยายามช่วยกันขานเข้าไปเพื่อให้ถึงที่กําบังของทหารจนเวลาลูกที่หากระสุนผ่านไปและสิ้นเสียงปืนและหน่วยทหารได้ทําการสํารวจ จึงพบว่าเป็นคาราวานขายยาเสพติดจากการตรวจดูไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ของกลางซึ่งเป็นยาเสพติดนั้นพวกมันทิ้งไว้แล้ววิ่งหนีตัวเปล่าหมดทหารได้ออกติดตามไปจำนวน15นายและอีก 3-4 สนายก็นำตัวพวกตาเดินทางต่อและแล้วปฏิหารก็เกิดขึ้นไม่อยู่ๆทหารก็ยื่นข้อแลกเปลี่ยนหากตาผมกับตาแพร่และพรานแกให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเขาเขาก็จะช่วยปล่อยตัว เป็นนั้นว่าพวกตาของผมจึงได้บอกข้อมูลทั้งหมดไปจากนั้นทหารจึงนํานำนำพวกตาผมส่งข้ามทางจังหวัดเชียงรายเพื่อส่งตัวกลับพร้อมแจ้งว่าหลงป่าเหตุการณ์นี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยน่ากลัวแต่ถ้าใครได้ไปอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆก็คงจะรับรู้ได้ว่าความน่ากลัวเป็นยังไงและจากเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนที่ชอบเข้าป่าเดินป่าจงอย่ามองข้ามสิ่งต่างๆที่มาเตือนเราไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหน และก็จบลงแล้วนะครับ2เรื่องจากท่านสมาชิกก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับคุณออฟและก็หมอปลาเรื่องราวจากท่านสมาชิกก็ยังมีอยู่นะครับผมจะทยอยถ่ายทอดออกไปก็หวังว่าเรื่องราวทั้งสองเรื่องนี้จะทำให้ท่านสมาชิกท่านอื่นมีความสุขในการฟังนะครับและผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับน้ำใจที่ท่านสมาชิกได้กรุณามอบให้มาทั้งคำอวยพรหนังสือแล้วก็วัตถุมงคลทั้งกาแฟด้วย ก็ขอให้ความรู้สึกดีๆที่ผมได้รับจากทุกท่านจงส่งคืนทุกท่านไปเป็นร้อยเท่าพันเท่านะครับแล้วก็เช่นเดิมครับเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยขอให้ทุกท่านร่ํารวยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งกายและใจสมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดํารงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ